ภิกษุผู้แจกจีวรและส่งกำหนดคุณสมบัติของภิกษุเหล่านั้นด้วยท่งอนุญาตสีย้อมและวิธีการเกี่ยวกับจีวรท่งอนุญาตสีย้อมจีวรหกชนิดคือที่ทำจากรากไม้ลําต้นไม้เปลือกไม้ใบไม้ดอกไม้และผลไม้และส่งอนุญาตวิธีการต่างๆ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 อ้างเหตุผลที่เคยประสบมาต่างๆอันควรจะทรงอนุญาตก็ส่งอนุญาตตามที่ขอร้องคือหนึ่งผ้าอาบน้ำฝนสองอคันตุพพัทอาหารสำหรับภิกษุผู้มาสามขมิกพัทอาหารสำหรับภิกษุผู้ไปสีคิลานพัทอาหารสำหรับภิกษุผู้ป่วยไข้ห้า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 แล้วส่งแสดงกติกาข้อกำหนดหรือแม่บท8ประการที่จีวรจะเกิดขึ้นคือหนึ่งเขาถวายกำหนดเขตภิกษุที่อยู่ในสีมาสองเขาถวายกำหนดกติกาสามเขาถวายกำหนดเฉพาะเขตหรือวัดที่เขาทำบุญประจำสี่เขาถวายแก่สง เขาถวายแก่สงสองฝ่ายคือภิกษุและภิกษุณี 6. เขาถวายแก่สงที่จำพรรษาแล้ว 7. เขาถวายด้วยจาะจงในวงเล็บให้เกี่ยวเนื่องกับการถวายข้าวยาคูหรืออาหารอื่นๆเป็นต้น 8. เขาถวายจำเพาะบุคคลคือแก่ภิกษุรูปนั้นรูปนี้